กรรมที่ทำง่ายและทำยากพระพุทธพาสิทธสุกรานิอาซาทูนิอัตโนอหิตานิจจะยังเวหิตันจสะซาทุนจะตังเวประมะลุกกรังแปลก ว, ว่าว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทำง่ายส่วนกรรมใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทำได้ยากยิ่งอธิบายความ กรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคือกรรมอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเป็นไปเพื่ออบายในสัมปรายภพกรรมนั้นทำได้ง่ายเพราะไม่ต้องทวนกระแสจิตท่านว่าจิตของปุถุชนคนธรรมดานั้นมักน้อมไปทางชั่วทางต่ำทางความใคร่ความปรารถนาในการมารมความทะยานอยากในทรัพย์สมบัติเป็นต้นมันไหลไปเหมือนนา้ามีปกติไหลลงสู่ที่ต่า การกันก้นจิตจากอากุศลให้ทวนกระแสขึ้นไปหาธรรมเป็นเรื่องยากคนส่วนมากมักใช้เวลาให้หมดไปด้วยการกระทำและการสนทนาในสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปในทางเช่นนั้นเช่นนั่งเล่นการพนันอยู่ได้เป็นวันเป็นคืนชุมนุมกันนินทาคนอื่นอยู่ได้วันละหลายหลายชั่วโมงส่วนกิตอันเป็นหน้าที่ของตนมิค่อยได้เอาใจใส่การพนันนั้น เป็นอบายมุก ค, คือทางให้ความเสื่อมอย่างหนึง่งถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึกประกอบด้วยสิ่งปฏิกูลพึงรังเกียจมากมายใครตกลงไปแล้วขึ้นได้ยากเพราะเขาพอใจอยู่ในการเช่นนั้นไม่ปรารถนาขึ้นมาเหมือนพอใจคลุกอยู่กับความเสื่อมโบราณท่านจึงว่าการพนันนั้นมีผีคือผีการพนันใครก็ตามที่ผีการพนันสิ่งแล้วมักยอมฉิบหายวายวอดยอมเสื่อมแต่ไม่ยอมถอนตนขึ้นจากหลมุม คือการพนันนั้นได้เห็นและได้ยินได้ฟังมาหลายรายแล้วถึงกับต้องขายนาขายสวนวัวควายและทรัพย์สมบัติอื่นทั้งเป็นสังหาริมะและอสังหาริมะทั้งทั้งที่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางเสื่อมแต่เหมือนมีผีสิงให้เราร้อนอยากเล่นเลิกไม่ได้ลืมลูกลืมเมียหรือผัว ล, ลืมบ้านช่องห้องหอโทษของมันนั้นมีมากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หกอย่างคือหนึ่ง เมื่อชนะย่อมก่อเวน 2. เมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. ทรัพย์ย่อมฉิบหาย 4. ไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคำ 5. เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน 6. ผู้ดีไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยที่ว่าก่อเวนนั้นคือก่อความธรมนัดแก่ผู้แพ้เพราะเขาต้องเสียทรัพย์โดยไม่อยากเสียและไม่ได้อะไรคืนมาเป็นสิ่งแรกเปลี่ยนเรียกว่าเสียไปเปล่า ผู้แพ้จึงเสียดายทรัพย์ที่เสียไปเป็นธรรมดาเพราะโดยปกติทรัพย์นั้นทุกคนอยากได้แต่ไม่มีใครอยากเสียข้อว่าทรัพย์ย่อมฉิบหายนั้นดูตัวอย่างคนบางคนพยายามทํางานมีค่าขายเป็นต้นอาเปือต่างน้ําสะสมทรัพย์ด้วยความยากลาบากเดือนหนึ่งบ้างสองเดือนสามเดือนบ้างปีหนึ่งบ้างทรัพย์นั้นพอกพูนขึ้นทีละน้อยแต่เมื่อนํามาเล่นการพานันมันหมดได้ภายในวันเดียวหรือคืนเดียวน่าเสียดาย ถ้าเอารัพย์นั้นไปทําประโยชน์อย่างอื่นก็จะเป็นประโยชน์อันถาวรเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนทั้งหลายคนเล่นการธนันแท้บ่อยเข้ามักต้องกู้หนี้ยืมสินหนี้สิน พ, อพ่อปูนมากเข้าไม่อาจใช้เจ้าหนี้ได้ตามกําหนดเวลาต้องผัดวันประกันพุ่งอยู่เรื่อยไปทําให้เจ้าหนี้หมดความเชื่อถือถ้ อ, ถอยคําบางทีเมื่อหาเงินมาไม่ได้โดยทางซื่อก็หาทางปิ้นป้อนตลกแปลงทําให้ขาดความเชื่อถือหนักเข้าไปอีก จึงเป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูงและคนที่รู้เรื่องเขา้าข้อว่างไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยนั้นวางว่ า, วาการแต่งงานก็เพื่อร่วมสุขร่วมทุกข์กันเพื่อเป็นเพื่อนชีวิตสร้างรากฐานตระกู ล, ลวงให้เจริญไพศาลให้เป็นตระกูลหรือพงพันที่ดีการจะเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้คู่สมรสที่ดีหากได้คู่สมรสที่ฝักใฝ่ในการเล่นพนันเอาทรัพย์สินไปผลาญเสียในวงไพ่วงบอลเบีย้ย ตระกูลก็ไม่อาจตั้งให้มันคงภัศาลได้นันหนึ่งคนมีนิสัยทางการพนันนั้นมากมาคู่กับความเกลียครนันทั้งสองอย่างบวกกันก่อกําเนิดความหายชนะอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้เป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ดีผู้มีปัญญาเห็นการไกลจึงไม่ปราถนาแต่งงานร่วมชีวิตกับนักการพนันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์แต่เป็นของทําได้ง่ายคนจึงติดกันมากส่วนกรรมดี มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาความขยันมันเพียรความเอื้อเฟื้อเผอแผ่เป็นต้นเป็นกรรมดีและมีประโยชน์เป็นสิ่งทํายากอย่างไรก็ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนามีว่ากรรมดีคนดีทําได้ง่ายคนชั่วทําได้ยากกรรมดีคนชั่วทําได้ยากคนดีทําได้ง่ายส่วนพระอริยะเจ้านั้นไม่ทํากรรมชั่วเลยดังพระพุทธภาษิตว่าสุกรังซาทุนาซาทุ ซาธุปาเปนะดุกกรังปาปังปาเปนะสุกรังปาปะมริเยหิดุกกรังรวมความว่าคนดีทำดีได้โดยง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายเรื่องนี้พระศ า, ศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ณนะเวลุวนารามทรงปราบรการกระเสริฐกระสนเพื่อทำลายสงของพระเทวทัพมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ว, ว่าว่าวันหนึ่งเวลาเช้า พระอนุ์เข้าไปบินทบาตในเมืองราชครึกพบพระเทวทัตพระเทวทัตได้พูดกับพระอนุ์ว่าอุโซอานุลตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะทําอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระศาสดาและภิกษุสงฆ์สาวกของพระศาสดาพระอนนุ์กลับมากราบทูลพระศาสดาว่าวันนี้พระเทวทัตทำลายส่งแล้วคือจะทําอุโบสถสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เมื่อพระอนุ์ทูลดังนี้ พระศาสดาจึงทรงเปล่งพระอุทานว่าสุกรังสาธุนาสาธุสาธุปาเพนะดุกกังปาปังปาเพนะสุกรังปาปะมรเยหิดุกกังกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายพระอริยเจ้าไม่ทำเลยดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าอาโนนกรรมอันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย ส่วนกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนทํายากนักหนาเพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่ากรรมที่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์แก่ตนทําได้ง่ายส่วนกรรมอันใดมีประโยชน์ด้วยดีด้วยกรรมนั้นทําได้ยากยิ่งมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ตน